สิกขาบทที่ 7. ภิกษุนีคัดค้านการแจกจีวรที่ชอบธรรมต้องอาบัตสองอย่างคือ 1. กํากำลังคัดค้านต้องอาบัตทุกกฎเพราะพยายาม 2. เมื่อคัดค้านแล้วต้องอาบัตปาจิตตี